1นการอยู่ป่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทางบรรลุพุทธธรรมแม้ในตอนทรงออกผนวดหปีการออกไปอยู่ป่าก็ดีปฏิปทาการปฏิบัติต่างๆก็ดีมันไม่ใช่พุทธธรรมทั้งมรรควิธีทั้งผลธรรมคำสอนใดๆผลธรรมใดๆจึงยังล้วนไม่ใช่พุทธธรรมทั้งนั้น ดังนั้นก็สรุปได้ชัดเจนยืนยันเป็นที่สุดว่าการออกไปอยู่ป่าเพื่อปฏิบัติไม่ใช่แนวทางของพุทธหรือการปฏิบัติ ด, ด้วยวิธีทุกขกรริยาทั้งหลายนั้นไม่ใช่แน่ๆอยู่แล้วแม้แต่การหลับตาสะกดจิตเข้าไปอยู่ในผวังปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพุทธธรรมก็ไม่ใช่แนวทางของพุทธ เพราะมีแต่ภาวะอดีตและอนาคตเท่านั้นไม่ใช่ภาวะปัจจุบันที่พร้อมด้วยความจริงซึ่งทุกวันนี้ชาวพุทธหรือแม้แต่ประชาชนคนในโลกที่สดับตรับฟังความเป็นาศาสนาพุทธก็ผ่านพากาันหลงผิดไปทั่วท่วนกันแล้วว่ า, าศาสนาพุทธนั้นถือการอยู่ป่าเป็นวัด เป็นแนวทางที่จะพาบรรลุนิพพานถูกต้องตามแนวการศึกษาของพุทธและการทำสมาธิหรือการศึกษาที่ทำให้เกิดอธิกิจสิกขาถึงนิโรดนิพพานก็ต้องด้วยการหลับตาเข้าไปปฏิบัติอยู่ในพระวังเจ้าชายสิทธัถาก็ออกป่าตั้งหกปี ก็ปฏิบัติสมาธิด้วยวิธีหลับตาสะกดจิตเป็นเจโตสมาธิมาตลอดตั้งแต่ทรงพระยาวนู่นเลยมาจนทรงออกพนวดจึงอยู่แต่กับภาวะอดีตกับอนาคตดังนั้นเจ้าชายสิท ธ, ธาบไม่ได้บรรลุพุทธธรรมใดๆเลยบรรลุแต่ธรรมะที่สามัญทั่วไปเขาบรรลุ ไม่ว่าศีลสมาธิปัญญานิโรธแบบใดๆท่านทรงปฏิบัติได้หมดเก่งกว่าเขาด้วยแต่กระนั้นเจ้าชายสิทธัตถาก็กยังไม่ได้บรรลุพุทธธรรมใดๆเลยด้วยการออกไปปฏิบัติในป่าและการนั่งหลับตาปฏิบัติ